พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งดลำดับที่11อโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่ส1มอดมีนาคม2560มีชื่อเรื่องว่าพระอานนท์สำเร็จไม่เหมือนใครอา้าลูกหลานเนี่ยในความสงบวันในพระเนนในวัดของเราสาม สามสิบเก้ารูปพระสามสิบเก้ารูปสัมมนเณรสองพระงดฉันสิบนาคหนึ่งตามรายงานของพระวันนี้เป็นวันที่สามสบอ็ดมีนาคมพุทธศักราช2560้าหสบวันนี้รู้สึกว่าฝนฝนมา แ ต, แต่เช้ามืดเลยเมื่อเช้าเนี่ยแต่ก็ไม่ถึงกับแรงแต่ก็เปียกน ะ, ะชุ่มชุ่มช่ำพอสมควรแต่ถนนก็นรู้สึกว่าเปียกน้ําไหลแฉะพอสมควรท่าว่าคนต่างถิ่นเข้ามาในเขตอําเภอนายูงน้ำโสมในช่วงนี้ขณะที่ฝนตกอ หลวงพ่อเคยบอกกล่าวตื่นเตือนไว้ว่าระวังเนอะเพราะทำถนนมันรุ่นพอน้ําขี้ยางยางพาราเนี่ยที่เขากรีดแล้วนะ่เขามันยังเป็นน้ำยางมันยังไม่เสด็จน้ำยางนะขึ้นไปเนะี่ยเวลาขึ้นรถนะน้ามันไหลอาบถนนไปเรื่อย หลายครั้งต่อหลายหนพอออกพอมันอาบถนนไปมันก็แห้งนะต่อมามันอาบอีกมันก็แห้งอีกหลายครั้งต่อหลายหนเข้าไปก็น่มันเกิดกังอยู่ในผิวถนนเวลาฝนตกมามันก็ลื่นเลยทีนี่ยมันก็เป็นเมือก น, ะนี่แหละรถมาจากต่าง่างถิ่นเวลาเข้าโค้งแล้วเวลา เร่งเร็วๆ เ, เวลาจะแซงคันอื่นอันนี้ต้องระมัดระวังต้องไปด้วยความระมัดระวังพอสมควรถนนสายนี้อันตรายสรุปแล้วเพราะว่ามันเบรกไม่หยุดเบรกไม่อยู่ เ, ยเหตุไรเพราะมันรื้นนะอย่างที่หลวงพ่อพูดนะสาเหตุที่มันรื้นเพราะอะไรนะเพราะมันมีขี้ยางเพวัะนั้นเวลาฝนตกอย่างนี้หลวงพ่ออ ด, อดวิตกกังวลไม่ได้ กับคนต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่ของเราแต่ตามไม่จริงเขาก็เขียนไมาอยู่ใหม่ๆเขาก็เขียนไว้แต่ต่อไปเมื่อกลัป้ายออกไปมาก็เลยขี้เกียจเขียนผู้เขียนแต่ตามไม่จริงก็น่าจะขึ้นป้ายถาวรไว้เวลาฝนตกปีใหม่ให้รถทุกคันต้องอยู่ในความระวังระมัดระวังไว้ดีกว่านะอันตรายนี่แหละทางนี้ทางนั้นอเราอยู่ในพื้นที่ เราต้องรู้จักคนนอกพื้นที่เข้ามาเราก็ต้องชี้แจงแนะนําบอกกล่าวว่าในพื้นที่ของเราเป็นพิษภัยอันตรายอย่างไรบ้างอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาจากต่างถิ่นเข้ามาสู่วัดของเราพระในวัดของเราก็จะต้องบอกตรงนั้นมีรังต่อนะแต่ตัวนั้นมีตัวแตนนะตัวนั้นมีงู มันกกใครนะเจ้าของบ้านต้องรู้อต้องบอกกล่าวนี้ก็เหมือนกันนะ่ะเราจะเป็นเจ้าของพื้นที่เราก็ต้องบอกกล่าวคนที่มาในต่างถิ่นอไม่ใช่ว่ากนในพื้นที่เห็นคนต่างถิ่นมันสตร์น้ํามันเครื่องน้ํามันโซล่าอาบถนนไว้เพื่อให้ถนนมันลื่นได้ยินแต่คน เก่าแก่สมัยหลวงพ่อเป็นเนนเน่งฟไปในถนนนั่นแหะพวกมิจฉาชีพเอาน้ำมันเครื่องเอาน้ำมันไปนลาดถนนเพื่อให้รถมันแฉลบลงมาขนาน่ะศกช่วยในโอกาสที่คนประสบอุบัติเหตุนี่แหละดูๆแล้วมันจะเป็นบาปกรรมอนันยาวนานทีเดียวหรอกบาปกรรมตัวนั้นน่ะ เพราะเหตุไรเพราะเวลาเขาขับขันเวลาเขาตกทุกข์น่าจะช่วยเขานะยิง่งไปช้ำเติมเขาอีกนี่ลเกิดคนเกิดมาในโลกยึงไม่เหมือนกันเพราะการกระทำกรรมคือการกระทำการคิดการกระทำการพูดเพราะเหตุใดเพราะมันบอกกรรมชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่า เมื่อทำกรรมชั่วลงไปแล้วกรรมชั่วจะตามสนองตนเองนั่นแหละนั่นแหลจะจะเดือดร้อนเมื่อพายหลังอันนี้คือหลักธรรมความสอนของพระพุทธศาสนาท่านว่าอย่าทำอย่าทากรรมสิ่งที่มันไม่ดีให้ทำแต่สิ่งดีเมื่อเราทำสิ่งดีแล้วเราเกิดมาพบใรชาติใดก็เป็นผู้ันได้รับผลแห่งกรรมนั้น ถ้าเราได้ศึกษาในพุทธประวัติหรือสาวกประวัติ เ, เรือว่าอุบาสกอุบาสิกาประวัติในครั้งพุทธกาลหรือในอดีตชาติแต่ละคนแต่ละท่านเราจะรู้ได้ว่ากรรมคือการกระทําของแต่ละท่านแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะนั้นเวลาได้รับเอตัะคะจากพระพุทธเจ้า จึงแตกแตกต่างกันคนนี้อย่างภาษาริบุตรเป็นผู้เลิศ ก, กว่าภิกษุทั้งหลายทางด้านปัญญาพระโมกคลาเป็นผู้เลิศ ก, กว่าภิกษุทั้งหลายเป็นผู้มีฤทธิ์พระมหากัจจปะเป็นผู้เลิศ ก, กว่าภิกษุทั้งหลายเป็นผู้แร่งในทุดงพระอานุนท่านได้รับเอตตะคะสองสามอย่างพอจําไม่ไดอ้อันหนึ่งนะแต่ว่า บุดพุทธอุปถักต์นใช่ละแล้วลพระหุสูตรพระหุสูตรเนี่ยทำไมเพราะว่าพระพุทธเจ้าไปเสด็จไปณสถานที่ใดพระอนุ์ขอกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าเมื่อพระองค์เสด็จไปณสถานที่ใดไปเทศปโปรดใครกลับมาถึงวัดแล้วขอพระองค์แสดงแสดงเทศให้ข้าพระองค์ฟังอีก เป็นรอบที่สองเพราะว่าคนทั้งหลายตงไปในอนาคตเขาจะถามว่าพระพุทธองค์เสด็จไปเมืองนั้นทันเทศแสดงให้แสดงธรรมให้กับกลุ่มเศรษฐีกลุ่มกษัตริย์ท่านตรัสยังไงท่านอนน์รู้ไหมพานนท์ไม่รู้ผมผมไม่รู้นนี่คนทั้งหลายจะตำหนิดได้เพราะนั้นพระองค์ เวลากลับมาแล้วโปรดพระองค์แสดงธรรมให้ข้าพระองค์ฟังอีกรอบหนึ่งพระอนุลใฉลาดนะเพราะฉะนั้นพระอนุลจึงเป็นคลังพระธรรมแท้เลยเก็บทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมรัชฐานที่ใดพระอนุลเป็นผู้เก็บพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเพราะนั้นจึงว่าเป็นคลังพระธรรมเป็นผู้รับรู้เมื่อจะเมื่อจะทําสังขารนา เป็นปฐมสังคายนาคือสังคายนาครั้งแรกนะจรึงปราดจากพระอานต์ไม่ได้พระอานุา์พระพุทธเจ้าพระริพานแล้วพระสงฆ์ทั้งหลายก็บอกว่าควรจะมีสังคารยาน า, าแล้วจะเอาอยัางไงกันเลือกนะเลือกพระอรหันต์ทั้งหมดห้าร้อรูปนะอ จะไปไประชุมที่เมืองราชคฤหที่ซำถ้ำจัตตบันทักูหาแต่ยังขาดพระอานุลพระอานนยังเป็นพระพุทุชนอยู่ยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระหัน์ถ้าว่าเราประชุมขณะนี้เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นประวัติอันยาวนานว่าพระอาหารทั้งหมด499รูป มีพระปุตชชนคือพระโสดาบันท่านหนึ่งคือท่านอาน o ์ที่ยังไม่ได้สําเร็จก็จะจารึกในพระไตรปิฎกไปนานเพราะนั้นให้ท่านอาน o n ได้สําเร็จซะก่อนที่พระพุทธเจ้าพยากรไว้เมื่อเราตถาคตปริปรนิพพานไปแล้วอาน o ์อีกสามเดือนอาน o ์จะได้สําเร็จเป็นพระหรหันเพราะนั้นพวกเราต้องรอรอให้ท่านอาน o n สำเร็จพระหรหันก่อน จากนั้นท่านยึงพระมหาการตปะจึงประกาศว่าอีกสามเดือนจากนี้ไปจะมีการประชุมกันที่เมืองราชคือพระเจ้าอาชาติเชาตรูเป็นพุทธศาสนูปธรรมภกเป็นผู้จัดประชุมฝ่ฝายบ้านเมืองพระสงฆ์เป็นพระอาหารหันต์ทั้งหมด500รูปจะประชุมกันที่ถ้ำสัตตุบันสัตตบรรณคกูหานี่แหละ อันนี้คือสรุปแล้วก็คือขาดพระอานนุ์ไม่ได้เพราะพระอนุนเป็นคลังพระธรรมเป็นพ่อเป็นผู้รบรู้ในพระสูตรเครื่องความเป็นมาของพระพุทธศาสนาตั้งแต่ที่ไหนที่ไหนพระวินัยพระพุทธพระกฎระเบียบเนี่ยก็อยู่กับพระอานนุนพระปรมัตถธรรมที่พระพุทธองค์เจร็จไปโปรดใครพระอานุนก็รู้อีก เพราะนั้นพระอานุ น, นจึงเป็นว่าเป็นครั้ง่ายทุกวันนี่ก็เป็นคอมพิวเตอร์เป็นพิคเก็บรวบรวมพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ครั้งนู้นไม่มีไม่มีคอมพิวเตอร์มิแต่สมองสมองพระอานุนก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะท่านเก็บรวบรวมไว้หมดใครจะถามเรื่องอะไรเกี่ยวกับพระพุทธเจ้ากับเกี่ยวกับพพุทธศาสนาเกี่ยวกับคณะสงฆ์แล้ว พระพระอ น, นุ์จะเป็นผู้ชี้แจงให้กับพุทธบริษัทสีได้รับรู้รับทราบนะเนี่ยแหละจากนั้นจะมีการประชุมที่ทำตัตุบั น, นท่านก็ได้ภาวนาท่านภาวนาได้สําเร็จเป็นพระหัน์แต่ว่าการสาเร็จพระหันของพระพระอา น, นุ์ก็แปลกอีกเหมือนกันนะ <c oughs> แปลกจะว่าท่านนั่งก็ไม่ใช่จะว่าท่านอนก็ไม่ใช่ แปลว่าท่าเดินไม่ใช่แปลว่าถ้ากําลังกําลังจะเอ็นกายคือพระนนท์ที่ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าว่าจากนี้ไปอีกสามเดือนท่านนนท์จะได้สําเร็จเป็นพระรหันจากนั้นพระนนท์ก็ภาคพยายามทําความเพียรเร่งความเพียรพยายามจะได้จะได้สำเร็จเป็นพระรหัน ภาวนาภาวนาภาวนาไปจนถึงวันสุดท้ายถึ่สามเดือนวันนี้ท่านก็ตั้งท่าตั้งทางเร่งความเพียรจดจ่ออยู่ตลอดเวลาตลอดทั้งวันทั้งคืนอีกพอจวนสว่างเป็นวันใหม่เป็นวันรุ่งขึ้นอะไท่านก็ลำพึงในใจเราจำวันผิดหรือเปล่าที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ แต่พระพุทธเจ้าตรัสหนึ่งไม่มีสองแต่บัด น, นี้ทำไมเราจำวันผิดหรือเปล่านะกานลำพึงหรือว่าเป็นยังไงกันนะทำไมเราจึงปิดจิตใจของเราอย่างปกติไม่มีอะไรผิดปกติเรายังไม่ได้สำเร็จในคุณธรรมนั้นพอจฉะนั้นพระอาทิตย์ก็ขึ้นเป็นแสงสว่างขึ้นมา เป็นวันใหม่ฮชท่านอเออถ้าถึงยังไงก็จะพักเอนกายสักหน่อยแล้วจะไปบินทบาดมาฉันก่อนมีอะไรยังค่อยนั่นพอท่านจะเอนกายฮนงะพอท่านจะเอนกายออกจากสมาธิท่านเอนกายขาขาคนจะคนจะคนจ ะ, น, จ ะ, จะนอนมันก็ต้องขายกขาเจ้ก่อนใช่ไหมยกขาขึ้นพื้นจากพื้นแต่หัวก็ยังไม่จด ไม่ถึงหมอนใชหลังก็ยังไม่ถึงหมอนแต่ขาก็ยกขึ้นแต่เยียดขาไปแล้วนะท่านได้สาเร็จเป็นพระรหันในขณะนั้นะสําเร็จเป็นไม่ยากนะผู้ที่ได้สําเร็จนะได้สําเร็จเป็นพระรหันในขณะนั้นขณะที่เอ็นกายหัวยังไม่ถึงหมอนข า, าก็ยังยกอยู่นได้สําเร็จเป็นพระรหันในขณะนั้นเพราะฉะนั้นพระอานนท์ ลูกหลานรุ่นหลังเขาเถามว่าพระอนุนพะระเถเรโองค์ใดบ้างที่ได้สําเร็จเป็นพระทหารที่แปกแตกต่างกว่าบรรดาพระทหารทั้งหลายเขาเลยตอบว่าพระอา น, นอุนนี่แหละท่านก็ได้สําเร็จมาสามเดือนจริงๆจากนั้นก็ไปบินธบามาฉันเสร็จแล้วทั้งก็เข้าประชมุมในวันนั้นอะ อันนี้คือความเป็นมาของท่านอานน์เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะผู้ปฏิบัติธรรมไม่ได้เลือกว่าจุกใดสมัยใดแต่ทำไมท่านอานน์จึงไม่ได้สำเร็จแท่งขงท่านก็มีปุจฉาวิสัตนาถกถามเหมือนกันเพราะว่าท่านอานน์ก่อนที่จะถึงจุดนั้นจุดที่ภาวนานะท่านมาอยู่ในขั้น มัชิมาปฏิปทาไม่อยู่ในขั้นมัชิมาท่านตั้งเงินไปท่านเพ่งคนไปท่านพิการาอย่างสติเข้มเข้มงวดกันไปมันสุดตงฮะท่านว่านะมันสุดตงเออมันไม่อยู่สายกลางละระดับของระดับใจของท่านอา น, นุนในช่วงนั้นเพ่งสุดตรงกันไปก็เลย ไม่ได้เรี่ว่าทำทำอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้านี่ต้องรู้สัดกึงขั้นปล่อยวางแต่ไม่ใช่หย่อนจ น, นจนไปหย่อนแต่งแหลงก้นไปมันก็นไม่ได้ต่งกันไปมันก็นไม่ได้ต้องอยู่ในขั้นมัชฌิมาปฏิปาทาํารทที่เป็นสายกลางแต่ีนีพอท่านอานุก่อนหนั้นนะท่านคงจะเพ่งอย่างอุ ก, กฤษไ ผลที่สุดท่านก็เลยปล่อยวางปล่อยคลายลงมาออคงจะไม่ได้หรืมั้งแต่วัาสติสัมปะชัญญะของท่านท่านก็คงจะกำหนดอยู่ตลอดเวลาท่านไม่เคยเผลอนะเพราะนั้นก็เข้าจุดขั้นปล่อยวางท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้นนี่แหละอันนี้คือหลักธรรมคำสอนของพุทธะ ที่ท่านได้พูดไว้ตราดไว้มีเหตุมีผลสมบูรณ์บริบูรณ์ยุคนั้นสมัยนี้ถ้าผู้ปฏิบัติแล้วก็ย่าอย่างเกา่าคนใส่ไหมนุ้นจับไฟร้อนไหมร้อนกินข้าวอิมมอ่มไหมอิ่มดื่มน้ําไปยังไงอันไหนมันเหมือนกันทั้งหมดยุคนั้นสมัยนี้ทําความดีความชั่วก็เหมือนกันเพร า, านั้นให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านอย่าไปคิดว่ายุคนั้น ใช่ยุคนั้นคือได้พบพระพุทธเจ้าพระทหารตะสาวกอันนั้นเลิศประเสริฐกว่ายุค ข, ของเราแต่เธอจิงไงพวกเราเกิดมาในยุคนี้ชาตินี้ยุคนี้พระธรรมคำสอนของพุทธะที่ท่านสอนเอาไว้เรานำมาประพุทธปฏิบัติก็ยังเป็นศีลเป็นธรรมให้ทานเนอเสียสละมีความสุขอันนี้สงทานมีอันนี้สงศีลมี อใ น, นสงภาวนามีทำคุณงามความดียังอย่างเก่าถ้าใครทำดีต้องได้ดีถ้าทำความชั่วต้องชั่วทำบาปก็ต้องได้บาปทำบุญก็ต้องได้บุญยุนั้นสมัยนี้เหมือนกันแต่เราที่มายุคนี้ก็คือด้อยไปขาดไปก็คือเราไม่ได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า จ า, จากพระโอษฐ์พระองค์ท่านจากพระพักพระโอษฐ์พระองค์ท่านเราเป็นผู้ด้อยเป็นผู้ไม่มีบุญวาสนาในจุดนั้นนะแต่ทิศยังไงพระธรรมคาสอนของพุท ธ, ธะเนี่ยถ้านเรามาพิจารณาดูแล้วก็ยังมีเหตุมีผลคงเส้นคงวานะสมชายมันร้องขึ้นมาลารับพรในเสน่หนะพวกเรานะ